เรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่ง่ายๆเห็นๆแต่ส่วนใหญ่เรามองข้ามเราไปใช้ความคิดแทนนั่นก็จึงอยากจะให้พวกเราได้กลับมาสู่ความเป็นปกติง่ายๆโดยที่ไม่ใช้ความคิดโดยไม่จำเป็นใช้การสังเกตการเฝ้าดูในส่วนที่เป็น รูปธรรมนามธรรมสมัยก่อนอามาเป็นมันชอบที่ทำอะไรที่ที่ทาเรื่อยๆอยนะหายว่ามันจะจำเป็นในส่วนที่ต้องทำในส่วนที่ไม่จำเป็นบางครั้งทาเพื่อการศึกษาในสิ่งนั้นในส่วนที่เป็นรูปธรรมแต่พอเรามาปฏิบัติวิปัสนาแล้วในสิ่งที่เราทำ ก็กลายมาเป็นอุปกรณ์ให้เราได้นึกเอามาใช้ไม่ว่ามัเกิดทักษะเมื่อคนทางานมาทั้งชีวิตเนี่ยเอามาใช้ทางนามมาทำไม่เป็นนะทำกายอย่างใหญ่ก็ทำใจอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีตัวประสาน ร, ระหว่างรูปทำนามทำเขาถึงกันอันนั้นคือตัวตัวรู้ที่เราเพียนสร้างนี่แหละ คือตัวประสานเชื่อมกายเชื่อมใจเชื่อมเขาจะกล่าว่าโอปะณะยิกโกน้อมอัางกายมาสู่จิตน้อมเรื่องจิตมาสู่กายซึ่งบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่หนะเป็นเรื่องเล็กๆแต่เราลืมสังเกตเท่นั้นเองนะพราะเราเข้าไปในเข้าไปเป็นในอาการที่มันเป็นแต่เราไม่เข้าไปเห็นในอาการที่มันแสดงมันก็เลยไม่เห็น นะเราก็เลยเป็นผู้แสดงไปกับมันนะแต่เราต้องเป็นผู้ดูนะแต่การที่เราเป็นผู้ดูได้เห ม, มือนว่าเราจะต้องมีดวงตานะถ้าไม่มีดวงตาเราก็ดูไม่ได้เรากจ็จะถูกมอมนะเขาเป็นผู้มองเมาเขาเป็นผู้ร่วมแสดงก็ <c oughs> <c oughs> ไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์กับมายาของธรรมชาตินะช่วงเช้านี่มีคุณแชร์มาบอกว่าให้ การเกิดดับของกายของจิตการเกิดดับให้ไปสัมผัสาการเกิดดับนั้นจะมาโกะเออมันขาดอะไรบางอย่างนะการเราเลยเลยต่อไปว่าการเกิดดับเป็นมายาของรูปธรรมนามธรรมแต่ตัวสร้างตัวรู้ขึ้นมาเพื่อดูการเกิดดับนั้นต่างตัวที่เป็นตัวรู้เป็นส่วนหนึ่งของ ของอมาตาธรรมแต่ตัวเกิดดับยังเป็นตัวรูปธรรมนามธรรมซึ่งจะแ ป, ปรปลีนไปตามปัจจัยเหตุปัจจัยดังนั้นในเวลาเราปฏิบัติเราก็สัมผัสในสิ่งที่มันมันมีอยู่เป็นมายาของการเกิดดับทางกายก็มีความรู้สึกเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเป็นผลกระเทือนมาจากการเกิดดับข้างใน เราสามารถหายใจได้ตาสามารถเห็นได้จมูกได้กลิน่นลิ้นลิ้มรสได้กายสัมผัสเยลอดอ่อนแข็งเค่งตึงได้จิตใจนึกคิดได้เป็นผลพวงมาจากการกระดับที่มีความถี่สูงะทีนี้ตัวตัวภาวนาคือเป็นตัวเข้าไปตามรู้ตามศึกษาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องไปกดไป บดไปดันอาการใดต่างๆอันใดอันหนึ่งให้มันนิ่งอยู่กับที่ไม่ใช่ซึ่งอาการนั้นจะทําให้เราเกิดการตึงในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายและทําให้ร่างกายนี้ถูกบีบคั้นและแปรปลุนไปใ่รูปแบบต่างๆแต่พอเรามาเข้าใจตัวรู้เนี่ยมันตัวรู้ในระดับสติที่เป็นสัจจญาณและตัวรู้ในระดับสติที่เป็นปัญญาญาณ วรู้ที่เป็นสติระดับสัจจญาณก็มานึนรู้สี่อย่างการตอบสนองกันจยานเช่นการนั่งทําให้เกิดอาการหนะักเป็นภัยอันหนึ่งของร่างกายเราก็พยายามหนีอากาศเย็ยนเกินไปเป็นภัยอันหนึ่งของร่างกายเราก็พยายามปกป้องอากาศร้อนเป็นภัยอันหนึ่งของร่างกายเราก็พยายามป้องกันลักษณะเงี้ยการที่เข้าไปบําบัด เข้าไปป้องกันเข้าไปดูแลความพอดีพื้นภัยต่างๆที่มาจากข้างนอกอ่ะที่ทําให้เราต้องได้รับการเจ็บปวดเคร็งตึงต่างๆเนี่ยเราก็เข้าไปบําบัดโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวเนี่ยถือว่าเป็นการเข้าไปป้องกันภัยโดยสัญชตาตญาณความง่วงเป็นภัยอันหนึ่งไหมใหญ่ทําไมไม่ป้องกันตัวเองอ่ะเราป่วยให้ง่วงงอกๆอยู่ได้ เรียกว่าตัวตัวการพัฒนาตัวรู้ยังไม่เข้มแข็งไงตัวง่วงเป็นภัยอันหนึ่งมองหายมยุต่อยอมยุตินั่งอยู่ข้างหลังง่วงไม่เห็นมันนั่ข้างหน้าดีไหมเอาเข้าย้ายมานั่งข้างหน้าหลวงพ่อจะได้เตือนกันบ่อยๆยายก็อี่มานั่งนี่ข้างหนังพ่อมองไม่เห็นใสธรรมะไปไม่ถูกจะได้ออกธรรมาใสเข้าไปให้ทัวเออขยับมาทั้งนี้ ข้างหน้าเนี่ยเขาทนเรารบกวนเมื่อพอผู้เฒ่าอยากให้นั่งอยู่ไกลเพอจะได้ยิน ช, ะชะัดๆโยมศักดิ์ก็ไม่อยากให้นั่งหลับตาเขารบงอกๆ อ, กอย่างนี้ไม่ได้แล้ต้องนั่งรู้สึกตัวหายใจให้ลึกนะหายลืมตากว้างๆทำตาโตๆเหมือนอาจารย์ธรรมลท่านว่าไม่อยาก ง, วง่วงถึงทำตาโตๆอย่าทำตาลีลีาตาลีลีเนี่ยไปเร็วเงี้ะ หลี่มาไม่รู้อยู่พวกพิชติตแล้นะเป็นลูอสีสวหลายชาติแล้วนะเออขอบคุณมากต้องมีการบันทึกด้วยนะไม่ต้องบันทึกก็ได้ก็ในเรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องของหลับหูบหลับตาฟังกันนะทั้งลืมหูลืมตาฟังกันเปิดหูเปิดตาให้กว้างแต่ในวิธีของบางวิธีบอกอะไรนะปิดหูซ้ายขวายช่ไห ปิดตาสองข้างปิดปากสว่างแล้วก็นั่งฟังเฉยๆนะบางทีมันก็ไม่เห็นด้วยนะเอ้ปิดหูปิดตาไม่จะไม่รู้เรื่องนะอ๋อท่านหมายถึงใช้สติสํารวมระวังท่านไม่ได้หมายถึงปิดจริงๆนะแต่เรามันปิดจริงๆนั่งปิดตาจริงๆกับปิดหูเลยไม่ตรงฟังอะไรแนละ้วมันก็เลยไม่เกิดปัญญา ปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างงน้นใช้สติสัมยะระวังหูระวังตา น, นั่นเองในสำนวนของท่านเป็นเป็นภาษากวีผาไปนี่ในงา <c oughs> นศึกษาในการเจริญสติเนี่ยที่ได้กล่าวเมื่อกี้ว่าเรามีภัยตลอดเวลาแล้วมักพอพูดเธะว่ามีภัยแล้วมักจะโอ้ผ่นดินไฟไวไฟไําหูเขาไฟระเบิดน้าท่วมอะไร หรือเกิดภัยพิบัติอันนั้นมันภัยภัยธรรมชาติแต่ภัยที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดคือภัยเกิดภัยแก่ภัยเจ็บภัยตายภัยง่วงภัยเหงาภัยขี้เกียดภัย้เจ็บภัยปวดภัยทุกขเวทนาต่างๆนะตัวง่วงเนี่เป็นเวทเป็นสุขเวทนาแล้วเป็นทุกขเวทนาอ๋อให้ดีให้ดีเป็นทุกขเวทนาเป็นทุกขเวทนารู้ว่าเป็นทุกใช่ไหมแต่ทําไมต้องง่วงนะ วาเราไม่รู้จักเมื่อมันเป็นภัยอ่ากินส้สมตำเผ็ดๆเนี่ยเป็นทุ ก, ทกขเวทนาเราเป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์ทําไมชอบอ่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเพลินก็เพลินได้สุขใครจะไปเพลินในทุกเอาคุณไม่รู้นะว่าคุณเพลินในทุกอยู่ทุกวันคุณไม่รู้กินอาหารรสจัดๆนะมันมันเพลินในการกินแต่บางท่านที่มันเผ็ดแต่มันทุกข์ใช่ไหมแต่มันก็อร่อยในทุกอะที่ท่านบอกขึ้ให้ละเว้นทั้งสองละเว้นทั้งในส่วนที่เพลินในสุขและเพลินในทุกไงนั่งง่วงในทุกทุกแต่เราก็เพลินในมันนะเพราะนั้นต้องหาวิธีทีให้มันง่วงนะ นั่นในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นมายาแต่ว่าเราก็ไปหลงในมายาอันนั้นมายาของรสชาติมายาของความสุขมายาของความทุกข์แต่เราปฏิเสธสุขทุกข์ไม่ได้เพราะมันเกิดสุขทุกข์เกิดตามโกฎของอะไ ร, รกโกฎของไตรลักษณ์นะะมันเกิดมาก่อนเราตั้งแต่เกิดวัตถุเล็กๆขึ้นในจักรวาลเนี้ยไตรลักษณ์เริ่มทํางานตรงนั้นเลยนะไม่รู้ย้อนไปนับ พบนับชาตินับกลับนับกันไม่ไม่ได้ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคพระพุทธเจ้าเนี่ยมักจะใช้ส ม, มนุนในวัตะสงสารนี้อันมีเบื้อง ต, งต้นและสุดหาไม่ไม่พบอันมีเบื้อง ต, งต้นและสุดหาไม่ได้ถึงไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันจะเป็นสิ้นสุดเมื่อไหรนะ่นะเนยเราะนั้นวิธีการป้องกันภัยความง่วงคืออย่าหลับตาแต่โยมก็หลับตาเรื่อยๆแสดงชอบมันอยู่ใช่ไหม <c oughs> บอกให้ลืมตากว้างๆนั่นแหละก็ไม่ยอมลืมมือนะจะหลับอยู่เลยเพรสุขภาพไม่เคยดีเนาะแต่มาก็ส่วนใหญ่พอม่วงบ่อยๆมาก็จะแนะนําให้ไปนอนนะเพรนั่งฟังหลวงพอ่อเราง่วงฟังมันเป็นบาปนยคุณไปนอนก่อนดีกว่าให้นอนให้พอน ะ, นะอันนี้ก็ต้องบอก ก, ก, ก, อกันนะเรารักกันสงสารกันเนาะเราก็ไม่อยากให้กันเป็นทุกข์เป็นบาปเพราะนั้นวิธีป้องกันภัยตัวเองก็คือใช้อ่าความรู้สองระดับ ระดับที่เรารู้ไม่ทันเรียกว่า ร, ระดับอะไรสัญชัตยานนะระดับที่เรารู้ทันตั้งใจรู้ตั้งใจตามรู้เรียว่าการป้องกันัญวิบัติ<ห>ด้วยนะด้วยปัญญาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวด้วยสติฮนะก็พยายามนะอันนี้ส่วนหนึ่งว่าเราชีวิตเรามีมีสัญชัตยาน ที่เป็นภัยอยู่สัญชาติญาณในการหนีภัยนะสัญชตาติญาณในการสวังดิอาหารใส่ปากใส่ท้องสัญชตาติญาณในการหาที่อยู่อาศัยเพื่อรับนอนสัญชตาติญาณในการสืบพันธุ์นะเราก็จะใช้สัญชตาติญาณทั้งสี่นี้แต่ด้วยที่เรายังไม่มีการพบกับการยามิตรและคำสอนของท่านผู้รู้ เราก็ยังปฏิบัติตามสัญชตาตญาณอยู่อย่างนั้นมาเรื่อยๆชีวิตเราก็จะเวียนว่ายแต่เกิดอยู่เนี้ยตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกอจนได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่มิใช่ว่าทุกคนที่เกิดมาพบคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะโชคดีเสมอไปใช่ไหมยังไม่สอดอย่างเนี้ยมีประชากรเท่าไหร่หลายแสนคนนะใช่ไหมแต่เรามาที่นี่กี่คนนะ อันนี้คือผู้โชคดีเท่านี้มีแค่นี้นะฮะแล้วผู้โชคดีทั้งหลายเมื่อนั่งที่นี่มีอีกอี่คนที่จะเข้าใจในสิ่งที่ที่กำลังทํำอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโชคดีทุกคนเนี่ยบางคนก็นั่งซึบื้อไปงัานเองนะพอจบจบงานไป <c oughs> ก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนตะ่ว่เฮ้หลวงพ่อพูดผิดใจโกรธหลวงพ่อเก่าบ้านอีกก็มีนะบางคนมันก็ไม่ใช่ว่าจะโชคดีเสมอไปนะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างหนึ่งเริ่มต้นด้วยศรัทธา คือในความความรักความชอบความพึงใจในสิ่งที่น่นแม่หลวงพ่อจะพูดจะกล่นจะดา่าจะว่าจะบนะ่นเท่าไรก็ยังก็ยังทําใจได้อยู่เออที่เราโชคดีแล้วแต่ถ้าหากว่าเจอหลวงพ่อสะ ก, กิดใจหน่อยโอ๊พระอุนี้ยังไงนั้นเนี่ยกลับไปบ้านดีกว่านั่ะอันนี้โชคไม่ดีละนะดังนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติว่าจะต้องมีศรัทธาต่อในสิ่งที่เราจะทํานะะ แล้วก็ศรัทธาตัวนี้มันมีสองระดับอีกเหมือนกันศรัทธาระดับสันชาติยานและศรัทธาระดับปัญญายานระดับสันชาติยานนี่มัศรัทธารักในสิ่งที่ดีทั้งหลายแหละรักเขาว่าดีแล้วหลวงปู่นั่นดีหลวงพ่อนี่ดีเจ้าแม่นั่นดีเจ้าพ่อนี่ดีต้นไม้นี่ขลังต้นไม้นี้เพริามีศรัทธาในการไปกราบไปไหว มีศรัทธาหาผ้าแดงว่าเขาไปพันให้นะแล้วก็มีการาลงองค์ทรงเทพที่ไหนก็ไปศรัทธากราบไหวนะคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะละทีพผีสางเทวดานะี่แล้วก็มีศรัทธานี่เรียกว่าศรัทธาโดยสัญชาตยานเขาเกิดจากความกลัว แกี่ความกลัวนั้นกลัวนี่แล้วป้องกันไว้ก่อนกันโดยเฉพาะคนไทยเนาะถือหลายๆอย่างกันเหนียวไว้ก่อนพุดก็เอาพรามก็เอาผีก็เอาเทวดาอินพรมยมเทพเอาหมดนี่เขาเรียกว่าในที่สุดเราเราไม่รู้เอาอะไรจริงจังแต่ในระดับปัญญาญาณจะมีการคัดเลือกเกิดขึ้นอมีการเพราะในสิ่งในโลกมันมีเยอะแยะในการที่จะศรัทธาแต่ในศรัทธาที่จะทําให้เกิดตัว ปัญญาญาณท่านแบ่งไว้สี่ระดับหนึ่งศรัทธาในการกระทําไม่ศรัทธาในเรื่องที่จะมานั่งนึกนั่งคิดนั่งปุมนั่งแต่งนั่งฟุ้งนั่งฝันอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนั้นใช่อ น, นี้ไม่ใช่ไม่เอาต้องทําลงไปดูก่อนใช่จําจับดูก่อนสัมผัสดูก่อนใช่ไหมนี่วศรัทธาแล้วกรรมาศรัทธาสอง สัมผัสหรือทำลงไปแล้วต้องรู้ว่าผลลับออกมาเป็นอย่างไรสมมติว่าเราตัวอย่างอันหนึ่งะนะมามีแต่ว่าดุสิ์ก็ไม่ใช่คนที่มาเริ่มใสในการปฏิบัติแบบนี้แต่ว่าเขาศรัทธาในโยมคนหนึ่งแกเป็นเขาเรียกว่าซุงของหลวงพ่อหลวงพ่อทวดนะ นายทรงหลวงพอ่อทวดเนี่ยเขาจะไปฟังคนที่เข้าสรงพูดเทศแทนหลวงพอ่อเทศแทนหลวงพอ่อทวดเนี่ยเขาก็ไปที่นี่พอมาไปจัดฤทธิ์อยู่ที่ตรังนะแกเข้ายามนะ่ะเพราะเดียวนี้ก็เป็นในพันตารวจแล้วนะเข้ายามพาแกก็ามาเข้าคอสันด้วยเนะ่แล้ว ก, ก็พูดได้เรื่องแต่ส่งหลวงพอ่อทวดให้ฟังดีอย่างโน้นดีอย่างเนี้ยอในที่สุดแก่พาจะมาไปจนได้เหมือนกันนะวมาไปพบส่งก็ไปเห็น คือทรงก็คือส่งนะเขาก็พยายามสร้างภาพสร้างอะไรลักษณะที่มีอ่านั่งเทศนั่งพูดอะไรเหมือนส่งเข้านะอามาก็ดูชวนคุยธรรมดาในที่สุดแกก็พูดภาษาคนรู้เรื่องเงินภาษาเทพเนี่ยเอามาประเทศเอามาพูดไม่รู้เรื่องนะเอมาฟงังฟังภาษาคนดีก่านแล้วก็ชวนคุยถามเรื่องโน้นเรื่องนี้ดูเต้าเหล่าล้านอาชีพการงานที่ไปที่มาเออสายตายแก่ที่ มันขึงแบบ อ, อ, องค์เข้าอัเนี้ยหายไปเลยเนาะองค์ไม่องค์ออกไปแล้วเดีเยวนี้พูดกันรู้เรื่องแล้ก็อย่างนี้ยคนมันถูกอุปโภคอุปทานจนไม่มีใครที่จะไปชวนแกปกติมันก็ผิดปกติไปเลย เ, เขาเรียกว่าลงเข้าอามาก็เขาก็เ ข, า, ขาอยู่ลายแต่ลายต่อมาเขาก็ส่งมันเลยเอามาก็ค่อยแทรกไว้จค่นิดนิดทุกวันนี้แกไม่ไปหายส่งคน น, นั้นอีกเลยนะ มาพูดมาเรื่องซูงที่แล้วมากระดา ก, กับทูกทีนยคุณมันเลื่อนในพันตารวจคุณทำไมมันขนาดนี้แล้วคุณจะไปดูแลประชายชนได้ไงคุณไม่พาคนงมงายไปกับเขาหมดเลยเลยก็ mm hmm. เ, เลยบางครั้งก็ต้องว่ากันหนักๆเพื่องั้นไม่ออกนะไม่ออกนี่คือศรัทธาในสิ่งที่แล้วเนี้ยนั้ น, น, นตัวตัวถิถิกับปัญญาเนี่ยมันคล้ายๆกันนะ บางคนมีปัญญาถึงดรอกเตร์สัตว์ราชานี่ยแต่ทิฏฐิไม่เปลี่ยนเคยเชื่ออย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นเขาเรียกดตอร์งมงายเคยได้ยินไหมแต่ถ้าเปลี่ยนทิฏฐิได้เป็นสมาทิิปัญญาถึงจะเป็นสมาปัญญาได้แต่ถ้าหากว่ามีปัญญามากแต่ทิฏฐิไม่เปลี่ยนเนี่ยเอเนี่ยทุกวันนี้ที่มันมันปัญหามันเยอะเกิดจากพวกนี้เกิดพวกมีปัญญามากแต่ทิฏฐิไม่เปลี่ยนเคยเชื่ออย่างไงก็เชื่ออย่างนั้น เคยเข้าใจไงก็มันไม่ยอมเปลี่ยนเขาเรียกว่าพวกนี้ศรัทธาไม่เปลี่ยนทิฏฐิไม่เปลี่ยนนะต้องเราต้องเปลี่ยนจากสักยญาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสมารทิฏฐิให้ได้นั้นเมื่อเราศรัทธาอย่างนี้ก็มีผลด้วยสมมติเราเชื่อในสมารทิฏฐิเชื่ออย่างไรสักยญาทิฏฐิเชื่อว่าสําคัญมั่นหมายทุกสิ่งที่เราที่เป็นอ่ามิติ ทางนามธรรมาต่างๆมันเป็นรูปนะเช่นเทพองค์ทรงเจ้าเนี่ยก็ เ, เป็นมิติทางนามธรรมาแต่เข้าใจว่าเ น, นี่เป็นรูปทรงของลอห้าเป็นรูปทรงของหลวงพ่อรวดเป็นรูปทรงของของพ่อนั้นพ่อนี่เป็นทรงเข้ามาเป็นรูปธรรมแต่ความเป็นมิติของนามธรรมาคืออุปทานที่มันเข้มมากที่มันจัดมากอ่ะคุณลองดูว่ามีใครคนหนึ่งเอา ช็อกหรือกระป๋องสีเนี่ยไปเขียนบนเพดานวาดภาพคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมานะเราเขียนคําด่าไปพร้อมเลยนะ่ะหน้าเหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วนะแต่เขียนคําด่าไปข้างใต้อย่างวันนี้คุณไปเห็นแล้วไปนไงโกรธทั้งๆทงี่มันก็คือช็อกกับสีอ่นะแต่ทําไมมันเกิดอุปท า, านขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่เราได้อันนั้นคือความวิจิตเขาและ ว, วิจิตของกรรมความวิจิตของกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่ศึกษาวิปัสนาเนี่ยเราไม่สามารถจะพ้นมายาและวิจิตของกรรมได้เลยเพราะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาศึกษาวิปัสนาเพื่อจะให้เกิดดวงตาเมื่อเกิดดวงตาปัญญาที่เป็นสมาธถทิฏิแล้วเนี่ยมันจึงเข้าไปเห็นความวิจิตของกรรมที่ออกมาในรูปต่างๆที่เข า, าสร้างขึ้นมาเนี่ยยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งยุควิทยาศาสตร์เนี่ย าสามารถแสดงปฏิหารกลไกกันนะเห็นซึ่งซ่งหน้าในทีวีกูก็ดูเป็นประจำใช่ไหมแล้วมันทำได้แนบเนียนมากๆเลยใช่ไห mm hmm. เงินในกระเป๋าของคุณดีๆมันออกมาออกมาได้ยังไทงทั้งทที่คุณไม่ได้ล้วงเลยใช่ไหเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของมิติทางามายาเนี่ยมันเป็นได้สารพัดอย่างคนถึงถูกผูกมัดว่าได้สิ่งเหล่านี้ ดังนั้นเราดูมามาดูว่าในระบบของความเชื่อที่เป็นสัญชาตยานเนี่ยมันไม่พ้นอํานาจของสักยะทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิไปได้ฉังนั้นพอเรามาศึกษาพุทธธรรมท่านก็ให้เบื้องต้นให้มีศรัทธาแต่แต่ว่าเบื้องต้นนี้จริงถ้าเรามีศรัทธามันเสี่ยงต่อการซักนำไปทางผิดท่านก็ะบอกให้มีปัญญาก่อน นี่ปัญญาจ็อดเกิดยังไงฮะก็ต้องได้พบกัลยาณมิตรใช่ไหมท่านผู้รู้มาบอกเราเรียกว่ากัลยาณมิตนั้นวิชาสิบ ป, ประการได้เริ่มต้นด้วยด้วยกรลยาณมิตรวิชาที่มาแก้ตัววิชาเนี่ยนะวิชาเรากสส็สิบสิบเอดสิบสองหมือนกันยมไม่ไหวใช่ไหมง่วงไปนอนเยอะเกินไปนอนให้พอแล้วกลับมันดั่งไวดังนั้นในวิชาสิบประการเริ่มต้นได้ การยามิทคือฟังจากคนอื่นฟังแล้วต้องเกิดปัญญาสามประการด้วยนะฟังแล้วหนึ่งได้สุตตะมยปัญญาฟังแล้วรู้เรื่องเข้าใจสองนำมาพินิษพิจารณาไต่ต้องเห็นจริงตามนั้นสามเอาความจริงที่เราพิจารณาตกหลึกแล้วเนี่ยเอามาลงมือทำํำนะในขั้นระดับฟังเข้าใจเรียกว่าสุตตะมยปัญญาการกรองให้เห็นเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นจินตามยปัญญา เมื่อถูกต้องชัดเจนแล้วเอาไปลงมือทำได้ถูกต้องอีกเป็นภาวนามตตปัญญาแล้วถึงเกิดศรัทธาในศรัทธาที่เกิดเจอโดยปัญญาแบบเนี้ยมันปลอดภัยนะอย่างน้อยก็มีผู้รู้มาประกันเราคือท่านได้ผ่านประสบการณ์มาอย่างนั้นแล้วโชคช่วยละลองถูกลองผิดลองดีลองชั่วมาตลอดแล้วมาบอกเออเนี่ยฉันทํามาแล้วนะใช่ไหมว่ามันจะเป็นตั้งทฤษฎียังไม่เคยพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือผิดอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องมีคนพิสูจน์มาบอกเราด้วยดังนั้นตัว กรรมวิปากสาิธาก็เช่นเดียวกันผลของความเชื่อที่มีผลให้เห็นสัมผัสได้โดยพิสูจน์ด้วยปัญญาว่าผลมันดีหรือไม่ดีอันที่สามความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเร า, าเป็นเบื้องต้นส่วนจะเกิดกับคนอื่นหรือไม่เนี่ยเราได้เหตุปัจจัยที่ที่ประกอบแต่เบื้องต้นเนี่ยตัวผล ของการกระทํานั้นต้องเป็นเกิดขึ้นกับเราเป็นของของเรากับมศกตาสถาอันที่สามอันที่สี่สิ่งที่กัลยาณมิตรนามาบอกเราเราเชื่อตามเราจะรู้ได้ว่าถูกจริงหรือไม่จริงต้องอันที่สี่เป็นตัวล็อกเอาไว้ต้องเป็นความรู้เกิดจากการตรัสรู้ของ <S S S S oh. พระพุทธเจ้าหรือของผู้รู้ ที่เคยตัสรู้มาแต่ก่อนๆ น, นั่นนะไม่ใช่เป็นการคิดรู้นึกรู้คาดรู้เดารู้ด้วยระบบของฟิลโอลสฟีหรือไซโครโลจีหรือปรัชญาและจิตวิทยาแต่เป็นการบรรลุทะลุเห็นแจ้งด้วยด้วยญาณปัญญาหรือว่าเป็นตถาคตะโพธิสัตธาสัตธาที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระตถาคตไม่ใช่นึกเดาแล้วก็คํานึงคํานวณตามหลักของ กดเกณฑ์เหตุผลอย่างนักวิทยาศาสตร์เขาทําไม่ใช่แต่ว่าเป็นการให้ได้เห็นได้สัมผัสในสภาวะมันพุทธเจ้าตามประวัติว่าท่านได้พิสูจน์ความจริงมาในครบชาติต่างๆเรียกว่าบําเพ็ญบารมีนะมาแต่ละภพชาติแล้วท่านก็ประมวลมาเป็นความรู้มาสอนเราไม่ใช่มา น, น, นั่งนึกนั่คิดอย่างนัง่งอย่างนักปัญญานะีอันนี้คือศรัทธาที่เกิดโดยระ ด, ดับสิบการหนึ่งเชื่อการกระทําของตัวเองสอง ว่าผลที่เราพิสูจน์แล้วมันออกม า, าดีมาชั่วเราสัมผัสด้วยตัวเองสามผลดีผลชั่วนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบละในการกระทำของตัวเองสี่ก็คือต้องพิสูจน์ได้ว่าความรู้นี้เป็นความรู้ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะนี่เราถึงจะเกิดศรัทธาที่ถูกต้องเพราะนั้นในเมื่อเรามีความรู้สองระดับอยู่ในกายในใจตลอดเวลาเนี่ย ไม่ว่าเราจะไปสัมผัสอะไรมันจะแยกเป็นสองลักษณะเสมอว่าลักษณะไหนที่เราสัมผัสมันด้วยสัญชตาตญาณลักษณะไหนที่สัมผัส ด, ด้วยปัญญายาณแต่ถ้าเราไม่มีการฝึกฝนตัวปัญญาคือตัวรู้ตัวนี้ขึ้นมาเป็นหลักนะมันเสี่ยงมากเลยที่จะไปตกไปสู่ที่ระดับสัญชตาตญาณดังนั้นตัวรู้เราจึงฝึกฝนกันมากเลยลำพังแต่บนนั่งยกมือสร้างจังหวะที่นี่ห้าวันเจ็ดเดืนไม่พอนะ แต่ว่ามันเป็นเพียงหัววิชาหรือเป็นหลักการที่เราจะต้องนําไปใช้ไปย่อยไปแยกในการใช้ชีวิตอีกอจนกระทั่งว่ามันเห็นแจ้งด้วยตัวเองว่าอ๋อความรู้สึกตัวที่จับอยู่ทุกขณะเนี่ยมันใช้ได้จริงๆสัมผัสด้วยตัวเองอะ่ะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดว่ามันดีหรือครูอาจารย์มาโปรโม่โฆษณาว่ามันดีนะแต่คุณต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามันดีกับตัวคุณจริงๆ ว่าเออเมื่อกายกับใจรู้เนื้อรู้ตัวเนื้กายใจมันเป็นอย่างไรมันสบายมันผ่อนคลายมันมันคงมันอบอุ่นอย่างไรให้สัมผัสได้จริงๆเนี่ยออไม่ใช่ว่าเออท่านโฆษณาว่าอย่างนี้แล้วก็เป็นนึกคิดตามอย่างนั้นจริงก็ไม่ใช่อีกนั่นหมายความต้องได้ลงไปสัมผัสจริงๆแล้วก็ให้ทําซ้ำซากทําซ้ําอย่างนั้นแหละ จนกระทังบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเชื่อเคยเข้าใจมาเนี่ยมันทบทับถุมกันมาหลายหลายชั้นหลายเลเยอร์ไอการทําซ้ํำหมายควาลือออกลือออกลือออกลือออกลือออกอะหลือไอส่วนที่ความคิดความเชื่อของเราที่มันสังสมมาเนี่ยลื้อออกให้หมดเหลือแต่สาระร้นรุนเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะดังนั้นให้ให้พิสูจน์ให้ได้ว่าความรู้สึกตัวทุกข้อมที่เราเพียนรู้อยู่เนี่ย มันมีอันนิสงต่อกายต่อใจเราจริงๆแค่ไหนเนี่ยเอาลงไปใช้ทุกมิติของการใช้ชีวิตนะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเมื่อเห็นแจ้งชัดได้ตัวเองแล้วเนี่ยเราถึงจะมั่นใจได้ว่าอออันนี้เป็นปัญญายามนะปัญญายามมันก็หลายระดับนะพิสูจน์ได้ระดับกี่เปอร์เซ็น10ต์ะสเปี่สบน้อยเปอร์เซนต์พิสูจน์ไปทุกวัน วันแล้วเพิ่มขึ้นในวันละเปองย่างดีเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อตามสัญชาติยานมาไม่รู้กี่พุทธิชาตแล้วเนี่ยเพราะนั้นมันจะต้องหนาแน่นมากที่เราจะต้องมาลื้อมาถอนออกเนี่ยอ่าแต่ก็เพียนน่ยเพียนแล้วเพียนอีกซึ่งมันก็มีความหวังอยู่อย่างหนึ่งว่าอ่าซึ่งได้กล่าว ไ, ไปบ่อยๆว่าในถ้าเนี่ยมันมืดอยู่ตลอดเวลาแสงสว่างสองเข้าไม่ถึงเลยเ ทีนี้พอเราสามารถดึงสายสปอตไลท์หรือไฟฉายสปอตไลท์เข้าไปนะความมืดสลายลงทันทีเลยภายในพริบตาเดียวนะใช่ไหมคุณไฮสีเคยเข้าไปในถ้ำใช่ไหมคุณกลัวอีกไหมความมืดในถ้าเนี่ยนะแต่ถ้าคุณไม่มีไฟฉายเนะี่ยคุณไปไม่เป็นนลยนะไปออกไม่ถูกเลยนะแต่คุณมีไฟฉายแล้วสบายมากเลยคุณสามารถเข้าไปดูทุกซอกทุกมุม โดยจะพาะมาเมื่อก่อนสมัยเข้าใจเรื่องนี้ใหม่ๆมาไปอยู่ท่ามแถวขอนสารจังหวัดชียภพูงอำเภอกขอนสารถ้ำเยอะมากเลยที่อ่าภูเขาน้ำเหนานี่เนะจะมาไปอยู่ในฝันสารนึ่งเข้าไปทุกซอกทุกหิืนของถ้ำเลยนะมอยากจะเข้าไปพิสูจน์แล้วอยากจะไปใช้อืในที่สุดเนาะโอ้ มีคนมับอกว่าคุณอยู่ในถน้ำนานๆไม่ได้นะเพราะอะไรมันมีฝุ่นละอองที่ละเอียดมากที่คุณสูดเข้าไปนานๆแล้วมันจะเป็นเชื้อให้เกิดโรคต่างๆไม่แต่หลวงพ่อของเราองค์หนึ่งหลวงพ่ อ, องหลวพอสมบูรณ์นะที่อยู่กระเบี่ก็ถ้ำเขาพระท่านเข้าเ ข, ข, ข้าออกในถ้ำบ่อยๆทั่นเป็นมะเร็งบะเร็งต่อน้ำเหลืองมะเร็งในกล่องลมหลอดลมแต่ท่านใจแข็งมาก สู้กับคีโมจนจนชนะปัจจุบันหายแล้วท่านเป็นพร้อมๆกับหลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อคำเขียนความจริงหลวงพ่อคเขียนก็หายไปพักหนึ่งแต่เนื่ว่าลูกศิษย์ไม่ค่อยถนอมเอาท่านไปทางานต่อแล้วท <c oughs> างานต่อมามันขึ้นมาอีกทีนี้เอาไม่อยู่เลยทีเดีไปเลยแต่หลวงพ่อมสมบูรณ์ท่านดูแลร่างกายดีก็เลยรอดไงนโทนมะเร็งไงความจริงเชื่อมะเร็งไม่อันต์ละแต่ที่แอนตรายคือ หลังสีแล้วก็เคมีที่เข้าไปทำลายคนตายเพราะตัวนั้นนะไม่ได้ตายเพราะเชื้อมะเร็งนะอืมนั้นพวกที่เป็นโรคมะเร็งถ้าไม่ใช้หลังสีไม่ฮีมโมนจะสามารถอยู่ไปได้อีกนาน <c oughs> แต่เนวะ้อความกลัวความตกใจของพวกญาติญาติไม่รู้จะทําไงนะไม่สามารถจะทนเห็นคนป่วยทุกได้เนะี่ยดังนั้นในส่วนที่จะป <c oughs> ้องกันจิตของเราไม่ให้ไปสู่ทํามืดเนี่ยก็ต้องมี สปอตไลท์คือตัวรู้ตัวเนี้ยเข้าไปสองเราก็ไม่ต้องท้อว่าอมันสั่งสมไอ้ความไม่รู้มานานแล้วเมื่อไหร่ฉันจะหมดจากมันทันทีไม่ต้องท้อตรงนั้นเลยคุณต้องสแสวงหาตัวสปอตไลท์คือตัวตัวยานปัญญาตัวเนี้ยให้ได้เท่านั้นเองพอได้ตัวนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันทําลายลงได้พริบตาเดียวเลยเนี่ยการบรรลุธรรมเกิดขึ้นชั่วแับตจเดียวก็อย่างองค์คุลิมานใช่ไหม เป็นมหาโจรนะแล้วใครจะไปเชื่อไว้สว่างว่าคุณมาที่เดียวเป็นพระละหันนะออตัวอย่างมีให้เห็นนะไม่ใช่เราจะมาตัวอย่างมีให้เห็นนะคะรับพุทธการฆ่าคนมาพวกเรานั่งที่นี่มีใครฆ่าถึงร้อยสิบศพบ้างไหมมีไหมซักสิบใครแต่ก่อนไ่ใแต่ก่อนไม่ใช่ฆ่าแต่ก่อนร้อยศพแล้วแต่ก่อนแค่สิบศพกูยังหาเขาได้ไหรือไม่อันนี้ท่านเกือบพันอะ เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเออเขาจะมีโอกาสได้สว่างถ้าเราไม่ได้ฆ่าใครมาเลยทําไมจะสว่างไม่ได้อ่ะอ่าบางคนก็อ้างาอ น, นั้นพบพระพุทธเจ้าอ้าวพระุทธเจ้าทุกคนมีอยู่แล้วหาทางให้พบท่านดีู่ข้างในในตัวคุณมีอยู่แล้วพุทธญาท่านตัดเอาไว้ท่านก็ไปคือเจ้าชายสิทธัะแต่ท่านก็ค้นคว้าอย่างพวกเราจุนต้องไปพบ ผู้ริเจ้าในใจของท่านใช่ไหมแล้วก็ไปตั้งชื่อท่านใหม่ว่าเป็นผู้รเจ้าแต่คนเจอองค์ท่านไม่ใช่ตัวผู้ริเจ้าองค์ท่านคือท่าสี่ขันธห้าเหมือนอย่างเรานี่แหละแต่สภาวะที่ตัวรู้ที่ฝังอยู่ในใจของท่านที่ท่านพบนั่นแหะมีอยู่ในคนทุกคนแล้วก็ท่านมาบอกนั้นท่านก็บอกวิถีทางเอาไว้ด้วยว่าอะไรนะอาคาตาโรต ถ, ถาคตาปฏิปนาปะโมคขันติชา ย, ยินุมาราพันธนาอ่า เราตถาคตเป็นผู้ชี้ทางว่าจะไปสิงพุทธภาวะที่อยู่ในคนนี้ได้อย่างไรนะตัวนั้นการเพียรพยายามที่จะเข้าถึงพราะต้งเป็นเรื่องของคุณนะไม่ใช่เรื่องของฉันนะท่า <c oughs> นบอกเอาเลยนะแต่ถ้าใครพ้นพบนี้ได้คุณจะพ้นจากภาวะที่มืดมนทั้งหลายนี่ท่านบอกไว้เลยโนะมคันติมาราพันธนาพ้นจากความมืดมนหรือบ่วงแห่งมันทั้งหลายลนั้นน่ะเราจะไปท้อเลยค้นไปเรื่อยๆค้นด้วยกัน รู้จับตัวรู้ทุกๆ ก, กรณีของการเคลื่อนไหวแล้ววันหนึ่งเคยประ ม, มวลไหมว่าการเคลื่อนไหวในกายในระดับกายก่อนไม่ต้องพูดถึงเวทนาและจิตธรรมนะในระดับกายเนะี่ยเคยไหมว่ามันเคลื่อนไหวกี่ครั้งในการในแต่ละที่บวนะี่ยเคยนับไหมมันนับไม่ทันมันเยอะมากแต่ทําไมเราไม่เปลี่ยน convert ตัวไอ้ตัวเนี่ยตั ว, ตว เคลื่อนไหวตัวนี้ให้เป็นตัวรู้ให้หมดละ่ะตรงนั้นที่ว่ามันไยตัวสามารถตามเปลี่ยนให้หมดนะมันก็สามารถพลิกได้ไวทําไมเราหยิงชักช้าก็เพราะว่าเรายัางไม่มีอะไรไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธายังไม่มีความรักพอที่จะทําขนาด น, นั้นได้เนะหน้าที่ของเราต้องเพิ่มอะไรเข้าไปเพิ่มความรักเข้าไปความรักความศรัทธาที่จะทํา แต่อย่าลืมว่าต้องทําให้ถูกต้องนะอ่าถ้าคุณทําไม่ถูกต้องคุณมีโอกาสาเพี้ยนได้ง่ายๆนะต้องบอกไว้ก่อนถ้าเกิดเพี้ยนขึ้นมาว่าโทษหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วนะนะคุณต้องทําให้ถูกต้องทําถูกต้องยังไงก็มีอันที่สองใช่ไหมคุณสมบัติที่สองต้องมีความเพียนใช่ไหมวิญญาศรัทธาวิรยิยาใช่ไหมอันที่สองที่วิริญะเนี่ยที่จะทําให้ถูกต้องก็สี่อย่างคือกันเทียงมันกันหนึ่ง ต้องทําอย่างรอบครอบระมัดระวังอย่าพีแผามเช่นว่าเรานั่งเนี่ยสิ่งที่มากระทบในตัวเราเนี่ยมีอะไรเย็นดตอนนอนแข็งเค่งตึงใช่ไหมหนาวเยน็นหนักหน่วงมีอยู่แล้วตลอดคุณต้องเฝ้าระวังมันว่าไม่ให้มันมากกว่านี้ถ้ามากกว่านี้เป็นไงมันเข้าไปบีบคั้นจิต ใช่ไหมทให้จิตเราแปรปรวนเกิดชอบเบื่อเซ็งขี้เกียจอะไรขึ้นมาละอันนั้นเป็นผลพวงที่ความเวทนาทุกทางการมันเกินไงมันถึงจบก่อให้เกิดตัวนั้นแต่ถ้าเรามาบัดทุกเวทนาแต่พอดีอาการภาวะง่วงเหงาเฮานอนเบื่อขี้เกียจสิงเหงาน่ยมันก็จะไม่เกิดแต่เราไม่ระวังมันเกินพอเกินปั๊บอาการแปรปรวนทางอารมณ์ไอ้จิตเกิดขึ้นทีนี้ะค่อยปรับดิ รู้ว่ามันจะทำท่ายคอยระวังแล้วก็ปรับเลยๆการปรับก็คือการเคลื่อนไหวอ่าทีนี้การปรับด้วยความรู้หรือไม่รู้อ่ามีตรงนั้นอีกนะถ้าปรับด้วยความไม่รู้ก็ออกมาอีกแบบหนึง่งกลายเป็นเพิ่มอวิชชาให้ตัวเองแต่ปรับด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวกลายเป็นเพิ่มปัญญาให้ตัวเองไอการลักษณะการปรับนี่เองเขาเรียก ว, ว่าความเพียนชั้นที่สอง และความเพียรเั้นที่สามปรับอย่างรู้เนื้อรู้ตัวถ้าปรับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอนเพียองค์ประกอบเพียรที่สามไม่เกิดองค์ประกอบอันที่สามคือปรับอย่างรู้เนื้อรู้ตัวก็ให้เกิดเพียรใองค์ที่สามแล้วองค์ที่สี่จะดำเงการปรับอย่างรู้เนื้อรู้ตัวอย่างต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆได้อย่างไรนี่คือตัวที่จะเป็นตัวบอกว่าสถางคุณถูกหรือผิด ทวนอีทีหนึ่งศรัทธ า, าวิริยะที่ถูกต้องหนึ่งต้องคอยแล้วระมัดระวังสิ่งที่จะทําให้เกิดปัญหาไม่ให้มากเกินปัญหาที่เกิดแน่นอนนะใช่ไหมนั่งคุณนั่งลงไปไม่เกินสิบนาทีมันเกินแต่คุณก็เริ่มปรับมตั้งแต่นาทีที่สามที่สี่ไปอย่ารอให้มันเกินสิบนาทีเกินแต่ที่จะปรับอย่างไรที่จะให้เป็นเปลี่ยนตัวอวิชชาให้เป็นวิชชาก็คือปรับอย่างรู้เนื้อรู้ตัว เมื่อปรับได้แล้วความรุ่นื้อประกุดแล้วก็พยายามมินทนแนนดำรงรักษาเอาไว้อย่างต่อเนื่องให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้มีความเพียรเนี่ยนะอันนี้คือตัวตัวเปลี่ยนตัวศรัทธาให้ถูกต้องคือผ่านระบบความเพียรสีประการนี้แล้วทีน่นี่ตัวรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนอะใช่ไหมจนหลับ มีตลอดเลยใช่ไหมตัวตัวเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวระดับที่หนึ่งคือกายที่เราส่วนมามีถึงหกระดับใช่ไหมปีหกขั้นตออหนึ่งความเคลื่อนไหวของอะไรลมหายใจลมหายใจเข้าออกมีอยู่ยากที่จะรู้ไหมแต่ฉันก็ลืมมันเป็นประจำนะนอกจากจะไม่รู้ฉันก็ลืมมันเป็นประจำอันที่สองการเคลื่อนไหวของอิยญบทอบทสี่ยืนเดินนั่งนอนแล้วอาการนั่ง เราได้ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมไหมไม่ฉันนั่งยังมีสบายฉันก็นั่งมันไปเรื่อยๆแหละใครจะทําไมใช่ไหมแต่พอเรารู้จักปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมเป็นไงตัวปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่รู้จักเปลี่ยนอย่างตัวอวิชชาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพราะเราแช่และจมในสุขเวทนาแล้วก็ไปเสพแทนที่นั่งแล้วมันจะรู้สึกสบายทั้งกายทั้งใจบางทีกายสบายแต่ใจไมสบาย มันเกิดอาการเบือ่ออาการเซ็งอาการฟุงร้งซ่านอาการเหงาอาการหนักอะไรขึ้นมาสักอย่างหน่วงๆในใจรู้สึกใจไม่ล่วงไม่ปลุกมันอะไรบางอย่างมันทึมๆอยู่นะใช่ไหมเพราะาตื่นเช้าขึ้นมาคุณสํารวจใจว่าคุณเลยว่าเออวันนี้ใจฉันเป็นอะไรสมองของไสวิตกกังวลอะไรหรือเปล่านี่คือภารกิจแรกที่คุณตื่นมาไม่ใช่วันนี้จะไปหาเงินทางไหนดีจะเอากำไรเท่าไหร่ ไ, ไปโน่นเลยนะตื่นขึ้นมา เรื่องผิดพลาดตั้งแต่แรกเลยใช <c oughs> นะ่ไหมว่าสัญญาณแรกตื่นขึ้นมาปั๊บอาการของจิตเป็นยังไงทำงี้ไหมคุณเคยสรีตื่นมาผมจำไม่ได้คือตื่นมาสํารวจใจของตัวเองว่าอาการของจิตของตัวเองสบายหรือไม่สบายตื่นขึ้นมาปั้งเนี่ยเคยสํารวจไหมไม่เคยเลยให้เห็นไหมคุณโอเคยทำไหมตื่นขึ้นมาสํารวจใจตัวเองก่อนว่ารู้สึกอย่างไรวันนี้ไม่เคยเลย ไปทําอะไรอยู่อ่ะเอ๊ะวันนี้จะเปิดร้านคนจะเข้าร้านไหมหนอได้กำไรเท่าไหร่ <c oughs> ใครจะเข้ามาก่อนไปนู่นเลยนะโดยโด ย, โดยความเคยชินแต่ณนะตั้งนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปเป็นใหม่นะตั้งตัวใหม่เสมอนะฮะตั้ใหม่เสมอทําไงจะมีความสุขเหมือนหลวงพ่อทั้งวันเลยนะ <c oughs> ตั้งใจว่าอย่างนั้นแล้วชีวิตของเราก็จะมีความหมายแต่ละวันนะ ใช่ไหมมันเต็มไปได้วยความเชื่อมัน่นแล้วเต็มไปได้วยความอ่ามองอะไรมันเป็มไปเรื่องที่น่าทำไปหมดแล้วคือชีวิตก็จะร่ํารวยด้วยความสุขคุณไม่ต้องคิดถึงเงินเลยทีนี้เพราะคนสูงมันมีอยู่แล้วคุณไปหาเงินให้ลำบากทาไมเพราะฉะนั้นค้นพบตรงนี้ให้ได้นะนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ต้องปรับให้ถูกต้องตามหลักขอความเพียรสีประการนี้ ถ้าไม่ทำดํานี้ให้ถูกต้องความเพียยนกิจการเป็นความอะไรความเพียนคุณจะไปทำความเพียนนะทำความเพียนให้ได้ก็ได้ให้ถูกต้องอะไรที่มันเกินเกินนีแหละมันเพียนแหละใช่ไหมอะไรที่มันขาดขาดมันก็เพียนเหมือนกันเพียนมากเพียนน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณเพียนมานานได้อย่างเท่านั้นเองนะถ้าเพียนมานานก็เพียนมากแก้ยากนะ แต่เพียนน้อยๆโอเคเราใช้คําว่าผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงคุณอย่าเห็นว่าคําเพี้ยนเป็นคําที่ไม่อไม่ดีเนะี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากความจริงก็ปรับใหม่เสมออย่างเรานั่ง ส, สบายๆสักพักหนึ่งมันง่วงไปถือว่าผิดเพี้ยนไหอผิดเพี้ยนแล้วเนี่ยคุณเพี้ยนแล้วเน่ะแต่เรามันเริ่มไปจากเล็กๆน้อยๆอยเหล่าเนี้ย นั่งดีๆใจใสๆโล่งๆพักมวนคิดอะไรสักอย่างขึ้นมาผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงแล้วจากใจที่มันโล่งๆสบายๆเนี่ยนะก็จัดการเอาความผิดเพี้ยนนั้นออกไปด้วยการใช้ตัวสติที่เราสั่งสมจากตัวยานปัญญาเพราะฉะนั mm ้น hmm. ตัวตั ว, ตวยานปัญญาที่เราสั่งสมมีมากน้อยคือแค่ไหนเนี่ยสําคัญถ้ามันมีมากมันจะรู้ความผิดเพี้ยนได้ไวแต่บํา บ, บัดได้ทันทีแต่ถ้ามันมีน้อยเกินไป ความผิดเพียนสั่งสม ม, มากๆถ้าไห่คุณก็ไม่รู้ว่าเออนี่มันผิดแล้วนะก็ไม่รู้เพราะความรู้ตัวของเราไม่พอไม่พอเพราะนั้นต้องเพียนสั่งสมไงเพียนตามรู้ไปเลยว่าทุกย่างก้าวอย่าให้พลาดทุกการเห็นของเราที่เรามองไปข้างหน้าการเห็นที่ถูกต้องนะการก้าวย่างไม่ได้ต่างกันนะอาการมันต่างกันว่าอาการทางตา ก็รู้อีกบอีอย่างหนึ่งก็สามารถรู้ได้อาการทางหูก็รู้ได้อาการทางจมูกรู้ได้อาการทางกลิ่นรู้ได้อาการทางรสรู้ได้อาการทางกายรู้ได้และอาการทางจิตนึกคิดก็รู้ได้ขึ้นอยู่ว่าตัวรู้เราจะเพียงพอรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ัหมตรงนี้แหละแต่เราก็รู้ทีละอย่างมันยากใช่ไหมสับสนต้องรู้เอารวมรวมรวมแล้วมันมีกี่อย่าง อันนี้รวมมาบ่อยเนะี่ยพวกเราก็ลืมบ่อยมากเกินมากันเถอะมีกี่อย่างอาการทางกายโควิละนนมันเยอะเกินไปเออแค่สามแค่ น, นั้นแหละสามนึกก็ยังยังไม่เคยทันอยู่แล้วใช่ไหมเออสามนี่มีอาการอะไรสบายไม่สบายเป็นกลางอาการทางจิตแค่สามคือชอบและไม่ชอบเฉยเฉ ย, ฉยใช่ไหมอาการทางอารมณ์ยังไง รักช e, ังไม่แน่มชื่อมันชมีแค่สามอาการแต่ว่าเป็นอาการทางไหนเท่านั้นเองกอาการทางกายเรือการทางเวทนาอาการทางจิตหรืออาการทางอารมณ์ก็ต้องแยกให้ออกว่าเออขณะนี้อาการทางกายเป็นไงสบายไหมก็ดูเป็นอย่างเป็นอย่างไปอาการทั้งหมดเนี่ยมันจะชัดขึ้นมาเพียงอย่างหนึ่งก่อนอาการทางกายชัดหรืออาการทางจิตชัดหรืออาการทางเวทนาชัดหรืออาการทางอารมณ์ชัด แล้วก็ไปแก้ไขปรับตัวนั้นไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวนั้นให้ให้รูนะ้ซึ่งมันก็ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากแต่ <c oughs> <c oughs> มันลืม <c oughs> อันนี้เชยไม่ได้จริงๆนะเชยไม่ได้จริงนะถ้าคุณอยากจะมีความสุขทั้งทีแล้วคุณขี้เกียจทำไมอ่ะนะมั <c oughs> นตนะ้องว่ากันอย่างงี้นะแต่คุณขี้เกียจก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นสุขได้ในชีวิตนะคุณต้องทุกข์เลยไป แล้วจะไปโทษชะตาลายสีโชดบันพุ่หลุดไม่ได้นะโทษโท ษ, โทษการกระทำของเราดังนั้นในลักษณะวิธีการของพุทเหีนมันพลาติคอลมากเลยนะคือมันทำได้อะซึ่งในวิธีการอื่นมันก็ทำมาหลายๆทางนะแต่มันไม่พลาติคอลแบบนี้มันทำให้ไปติดจมทางใดทางหนึ่งเราคุยมนั่งแก้กันเนี่ยมันเลยยากยุมสภาพขอนง่วง ท, ง, ท ง, ทงทั้งที่ตาตาลืมอยู่ใช่ไหม <laughs> ขนาดตาลืมอยู่อยังง่วงได้เหมือนกันอมันค่อนข้างลึกและแรงนะเพราะนั้นแก้ไขไปเรื่อยๆอย่าท้อนนะพยายามไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันดีเองแหละหลวงพ่อก็จะแก้ไขไหมแต่ว่าหนูพ่อดีอย่างตัขยันแก้ไขตัวเองแค่นั้นเองนะที่งใครมาบอกว่าเราไม่เข้าท่าเนี่ยมายิ่งชอบเลยนะเอะอไม่เข้าท่าเดินไหนฉันจะทําให้ดีที่สุดเพราะหลวงพ่อเทียนท่านสั่งไว้ถ้าต่อไปคุณไปทํางานนะ มันก็จะต้องมีคนอยู่สองพวกไอ้สามพวงพวกที่เขาชอบเราเขาก็ชมเราพวกที่เขาไม่ชอบเราเขาก็ดินทานเราพวกที่ไม่รู้จักเราเขาก็ไม่สนใจเราจะมีอยู่คนสามพวจนเสมอนะแล้วคุณจะไปอเขาว่าอะไรมาก็คนชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆกับเราเนี่ดูที่ความจริงว่าสิ่งที่เขาว่ามาบอกมาจริงไหม ถ้าจริงก็แก้ไขซะแค่นั้นเองถ้าไม่จริงก็ไม่ต้องไปตอกโต้ไม่ต้องไปทุ่มเทียงอะไรหมันเสียเวลาก็เป็นเรื่องกรรมของเขาไปที่เขาไม่จริงเขามาว่าเรานะถ้าเขาชมมาคุณก็ไปเโดยไ ป, ไ, ป, ไ, ปไม่ต้องไปหลงดีใจเขาชมไม่ชมมันก็ดีอยู่แล้วนะแล้วถ้าคุณไปหลงดีใจคุณก็เสียหายอีกนะ เพราะฉะนัน้นนั่นก็สั่งมาตั้งแต่แรกเลยนะเอามาก็เลยใครจะว่าไงก็ไม่เคยไปสู้รถตุมือนะคุณมีแรงว่าก็ว่าไปแต่ฉันจะบอเสียเวลากับไอการว่าของคุณฉันทําอะไรไม่ได้เลยทนะั้งชีวิตเลยนะคุณ ฉ, ฉันไม่กล้าทําอะไรเลยนะแต่ฉันต้องทําไปเพราะชีวิตฉันสั้นไม่กี่ปีปกี่เดือนฉันอย่าว่าตายเลยแค่ป่วยฉันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคุณจะมาโมวนั่งเสียเวลาไอคนอชมคนดา่าคนว่าคนติไม่ได้อะไรที่ดีรีบทําไปก่อนอ่า แล้วก็เลยเออตรงเนี้ยคําสั่งของท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านคงจะรู้อนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันก็ทํางานได้เรื่อยๆไงทําได้ตลอดทั้งปีเลยน ะ, ะเราก็มาดูว่าเอ๊ะคนบางคนทํางานสักพักหนึ่งเขาก็เลิกทําละร่างกายไปไม่ไหวแล้วก็มีการออกกําลังกายช่วยร่างกายให้มันไปไหวไงการจะทํำของเราไม่ใช่ตลอดไปอย่างน้อยก็ให้มันยืดกว่านี้สักหน่อยหนึ่งใช่ไหมก่อนเราจะตาย ก็ปรารถนาว่าจะตายอย่างยิ้มให้สวยๆจะตาย ย, ายังไงก็กลังพิจยานาอยู่นะก่ <c oughs> อนตายนัย้นต้องฝึกฝึกยิ้มตอนหลับเอาไว้กันแล้วกันนะฮะแม้แต่การนอนก็ตนอนก้องฝึกฝึกยังไงให้นอนได้ต้องการจะหลับตอนไหนจะตื่นตรงไหนก็ต้องฝึกนะไม่ใช่คุณจะนอนมัวๆไปแต่ละวันไม่ได้ผู้ปฏิบัติเนี่ต ย, นยตยย้องฝึกฝนละเรื่องฝึกทีละเล็กแน้อย ว่จะมาเป็นคนนอนดับยากมากก็คือหลักพุทธิยานถ้าเคยสอนแต่เรื่องนี้แหละแต่การที่เร า, เอาอะไรมาสอนเรื่องที่เรานั้นก็จะว่าไม่ใช่ก็ไม่เชิงนะแต่ว่าท่านอาจจะไม่พิสูจน์มาก่อนเพราะฉะนั้นการนําเสนอท่านไม่ชัดเจนนะอันนี้คือคือต้องพิสูจน์ในพุทธิยานคาสอนพระเจ้าดีขนาดถ้าคุณไม่พิสูจน์มาก่อนคุณไม่รู้ว่ามันดีไงหรอกแต่รู้ว่าดีแต่ไม่รู้ว่าดียังไงแต่คุณต้องพิสูจน์ไปก่อนว่ามันดียังไงสมมติการรักษาศีลเนี่ยใช่ไหมท่านบอกมันดีดีอ่า อพระท่านก็บอกสีเลนะสุขติยันติคุณจะมีความสุขต้องมีสีลเท่านั้นนะสีเลนะโพค่ะสัมปทาคุณจะร่ํารวยคุณต้องมีสีลเท่านั้นนะแต่สมาเอสีเลนี่พุทธิยันติคุณจะไปมรรคผลนิพพานคุณก็ต้องมีสีลเท่านั้นเอ๊ฉันปไปหมูรักษาสินจะรวยได้ยงไงจะได้สุขได้ใช่ไหมมันก็ฝึกค้านกันนะนี่พราะเราไม่เข้าใจเข้าใจไม่ถูกต้องเราก็เลยไม่กล้ารักษาศีล ขนาดมาปฏิบัติเนี่ยขอสมทานสิ้นแปดพอจะเลิกขอสมทานชิ้นห้า ก, กับคืนนะโอ้ทำไมคุณไม่เอาไปใช้ของดีเงนินคุณเอากับคืนมาทำไมยัง <c oughs> เป็นเรื่องตลกอยู่นะใช่ไหมของดี ว่าตอนมาเนะี่ยเอาเงินถวายไว้ล้านนึงตอนกลับนี่ขอกลับให้หมดก็แล้วกันไนดะ้ขยักไว้ไม่เอานะเอามาฝากไว้แปดล้านขอคือจะกห้าล้านไม่มีนะแถมจะเอาดอกเบีย้ยต่างหางเนะ่ยฝากไว้ตั้งหลายวันขอดอกเบีย้ยหน่อยก็แล้วกันแต่สีนไม่มีใครเลือกร้องหัดอกเบีย้ยเลยนะมิแต่จะขอคืนอไปไม่ไม่เท่าเดิมมนะันเอามาให้แปดแต่ขอคืนห้าแค่นั้นเองเนะี่ยนั่นนั้นี่คือความเป็นจริงที่เราเห็นได้ชีวิตจริงนะ นั่นเวลาจะทํำยังไงให้ทําให้ถูกต้องหนึ่งต้องมีความรักที่จะทำสองทาให้ถูกต้องอถูกต้องโดยหลักสีประการ น, นหนึ่งแล้วมาระวังในสิ่งที่เกิดขึ้นสองก็คือปรับกว่าส่วนเกินและส่วนขาดออกไปส่วนขาดเติมเข้ามาส่วนเกินตัดออกสามขณะปรับนั้นให้รู้เนื้อรู้ตัวว่าปรับอะไรเกินอะไรขาดเพราะอะไร C เมื่อปรับได้แล้วรักษาให้ชัดเจนให้มันคงในการปรับนั้นอันนี้หลักที่ถูกต้องท่านว่าเอาไว้เงี้ยนะเราก็มาทําตามนั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นชีวิตที่อยู่ในโลกนี้มันสั้นแล้วก็อย่าโลกก็แปปวนเปลี่ยนแปลงเมื่อห้าสิบปีที่แล้วป่าเขาลำหนำเพาไ ม, ม่เป็นหัวโลนหัวร้านอย่างนี้ใช่ไหมหลวงพ่อนั่งเครื่องผ่านมาหลวงพ่ออย่งรู้สึกโอ้โหมันเป็นได้ขนาดนี้เนี่ย ล้นล้านเป็นหมื่นหมื่นไล่เลยก่อนที่มาถึงเนี้ยนะเราก็มีผลกระทบมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเราไม่ทำจิตให้ดีเราต้องได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบทำเรื่องเนี้ยว่าการแปรปวนเปลี่ยนแปลงของของโลกด้วยอำนาจความอยากของมนุษย์ที่มารวมกันหลายร้อยหลา ย, ลา ย, ลายพันล้านคนเนี่ยมันเหมือนไฟหลายกองมาเผาโลกนี้โลกเดียวอ่ะแล้วโลกนี้ก็ไหมก็กรอบไปเรื่อย แล้วจะอยู่อย่างสบายได้ไหมไม่ได้นักวันที่จะแย่ไปเรื่อยๆเนะี่ยเพราะคนเกิดมาไม่ได้พบกริยาณมิตรไม่ได้พบพุทธเ้าไมไ่พบคุณทธศาสนาเนี่นะมันแค่ต้องเอาไฟของตันหาเนี่ยมาเป็นชีวิตของเขาจะไฟเหล่านี้ยบ้านเรามีกี่กองก็เท่านั้นนะมีกี่คนก็เท่านั้นกองนะ่ะเว้นแต่คุณมาปฏิบัติเนี่ยคุณเริ่มดับไฟของตัวเองได้แนละ้แต่บ้านนะั้นในครอบครัวสมาชิกครัวสักหคนหรือสิบคนหมายถึงว่าไฟหาดุนหรือสิบดุลนนะ่ะถ้าคุณเข้าไปใกล้ไฟเหล่านั้นเป็นไง ก็ก็เริ่มแล้วก็ร้อนใช่ไหมกลับไปดีที่คุณโดนแน่เลยวะนะไปทำไมตั้งหลายวันเนี่ยวันขาดรายได้ไปตั้งเยอะเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมเอ อ, เ อ, อถ้าหาักขึ้นลมใดไปยกมือโนบูทนาเนี่ยโอ้ขอมุทนาสาธุไปทําสิ่งที่ดีที่สุดมาขอแผ่บุญกุศลแบบ่งปันบุญกุศลที่คุณไปทํามานี้ให้ฉันด้วยนะเออไปเจอน้ําอย่างนี้บ้างเนี่ยใช่ไหมมันก็ยังเออมันชื่นอกชื่นใจอันนี้ไปเจอไฟเนี่ย มันจะอยู่ได้กี่น้ำเนี่ยชุ่มมาทั้งหลายวันชุ่มๆอยู่ดีๆกับไปเจียวไฟแป๊บเดี๋ยวแห้งหมดเลยนะระวังให้ดีแล้วกันนะดังนั้นในเวลาที่อยู่ที่นี่ขอให้ศึกษาเรียนรู้ใ น, นทุกอย่างก้าวนะทุกอย่างก้าวทุกการกระทําทุกคําพูดทุกลมหายใจนะไม่แต่ทานข้าวนะ <c oughs> ไม่ต้องรีบหรอกทานไปเรื่อยๆเพื่อให้เห็นว่าศึกษา การทานถึงเวลาทานข้าวแล้วหมดเลยไม่ต้องเหลียวยังเช่าอย่างนี่ยเหลือวเวลาอีกสินาทีถ้าหากว่าเราพยายามทำอย่างนี้ยก็จะเกิดการระมัดระวังมากขึ้นการลุกแต่ละครั้งมีความหมายะการขยับแต่ละครั้งมีความหมายใช่ไหมเราลืมเห็นว่ะควรจะขยับด้วยอวิชาหรือวิชาดีอ่า มันต้องแต่นักรู้ซะ ก, ก่อนนะหายใจเข้าแต่ละครั้งเจ่าวิชาหรืออาวิชาเข้าไปดีใช่ไหมเรารู้ไปอย่างดีนะต้องอาวิชาต้องต้องวิชาแนะ่แต่พอทำจริงจริงเจอเอาวิชาทุกทีเลยเนะมลเพือเข้าไปทุกทีเลยเนาะเพราะนั้นก็ลําดับไปเรื่อยแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าจับเล็กเล็กเล็กน้อยเนี่ยมันเยอะเกินกว่าที่เราช่ยรู้ทันเนาะก็จะเพียงอาการแค่สามอาการสบายหรือไม่สบายขนาดนี้ก็ปรับไปเรื่อยๆอันนี้ง่ายๆ นะแล้วก็บางครั้งก็เป็นกลางนะอดทนได้สักพักมันก็มีสบายไม่สบายหเห็นตลอดเวลาก็มาปรับจุดนี้มันจะแคบเข้ามาแล้วง่ายแต่ไม่ปรับตามอาการเล็กๆน้อยทั่วตัวงโดยหัววุ่นวายนะ่าดูแล้วนอกจากทาไม่ได้แล้วก็จะอท้อซะก่อนนะ้ำมันเยอะเกินไปนะแต่พอมาจับไข้สามอาการปรากฏให้เห็นตลอดเวลาค่อยปรับไปนะนั้นก็ ช่งชวงเช้าเนี่ยเราทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเพื่อที่จะลงไปในรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็ในวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่ <24. S 1> เออยีสีช่วงเย็นหลพ่อยังงเข้ากรุงเทพน ะ, ะก็ให้อาจารย์อภัยคอยตอกย้งอีกทีเพราะว่างานอาจารย์กูวิตพรุ่งนี้ยี่บ้าเขาอยากจะให้นำภาวนาะช่วงเช้า พราะคุณคนทั้งกรุงเทพทำไมต้องเอาฉันคนเดียวฉันก็มีงานของฉันว่าไงท่านหลวงพ่อให้มาให้ได้ะเอ้าทำไมก็จําเป็นนะเขาต้องการกําลังใจให้เฉยแล้วทุกคนจริงกันกนําเสนอมนก็เหมือนกันนะก็เลยไปเขาว่าไปช่วงเย็นมีผู้นิชเช้าก็ไปนำภาวนะาเขาครึ่งวันช่วงบ่ายหลวงพ่อจิตรีกลับมาะช่วงบ่ายตรงนี้นะก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจ ที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษา <c oughs> เรียนรู้ทำข้อก็จะให้ถูกต้องอเพื่อเราจะได้นำสิ่งนี้ไปดูแลชีวิตของเราให้มีความสงบและความสุขอย่างแท้จริงด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด